ผลของบุญผลของบาปเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากรรมวิบากไม่ใช่อะไรตื้นๆแค่ว่าวาดรูปคือกรรมแล้วได้รูปภาพเป็นวิบากแต่เป็นเรื่องลึกซึ้งถึงขั้นวาดภาพชีวิตไว้ด้วยกรรมใดก็ได้ภาพชีวิตที่สวยหรือน่าเกลียดแก่ผู้เป็นเจ้าของชีวิตตามนั้น กรรมของใครหนักไปในทางใดวัดกันจากที่แนวโน้มความตั้งใจในชีวิตพุ่งไปในทิศที่ก่อให้เกิดกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมกุศลธรรมที่สั่งสมมากแล้วมีผลที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือทำให้เกิดความสามารถในการแยกแยะได้ถูกว่ากรรมใดทําแล้วเป็นประโยชน์กรรมใดทาแล้วเป็นโทษซึ่งเดิมทีเกิดมาไม่มีใครรู้ได้ด้วยตนเอง ยกตัวอย่างเช่นปีไหนสวดมนต์ทุกวันได้เปล่งเสียงอย่างเป็นสุขไม่ใช่ฝืนสวดไปกันแกนปีนั้นจิตใจจะเบิกบานบางทีอยู่ดีๆก็นึกได้หรือไม่บางคืนก็เกิดความฝันขึ้นมาเตือนว่าที่ผ่านมาเคยทำผิดใดไว้บ้างบางคนตื่นมาจากฝันเตือนสติก็สำนึกผิดรุนแรงอยากแก้ไขความผิดในวันวานด้วยการทาถูกในวันนี้แทน กระทั่งแทบเปลี่ยนวิถีชีวิตไปจากหน้ามือเป็นหลังมือจากชีวิตที่ก่อบาปเป็นสร้างบุญขยันทำเหตุแห่งความสุขความเจริญให้ตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคตผลของบุญและผลของบาปเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานับแต่เกิดมากับพ่อแม่คู่ปัจจุบันใครจะเข้าใจหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการได้ศึกษาธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้มากน้อยเพียงใด